เอาออกทิ้มไปบ้านเราจะได้สดใสเสเนีย จ, จันไรจะต้องไม่มีเพรว่าะจะลงรักษาเสร็จะมาบ้านก็สุขอำมาฟังเครสดีกันคุณตาปะกติเป็นคนใจดีขยันงั้นแข็งมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นเี็ความสื่อสัสุดจริต ไม่ชอบคนพูดโกหกแต่เวลาโมโหร้าลยก็โกรธง่ายหายเร็วโมโหแม่กระทังสัตว์ถ้าเลี้ยงนกเขาวไว้หนึ่งกรงรหนึ่งตัวบันหนึ่งนกเขาไม่ขันให้ท่านฟังท่านก็โมโหไปขย่โโายกรงข ย, ย่าวแรงแรงแล้วก็เอานกออกมาถอนคน <c oughs> <c oughs> และปล่อยมันไปโอ้โหคุณตาเน่ยดื่มเลราทุกวัน เดิมเมื่อ20กว่าปีแต่เดิมดื่ม oh. ยาดองเหล้าก่อนนานๆเข้าก็ติดดื่มทุกวันประมาณวันละครึ่งขวด oh. เป็นเวลา60กว่าป oh. ีแต่ดื่มแล้วท่านไมได้อรารวาสแต่ขอยท่านพูดท่านจะพูดมาหยุดเลย oh. พูดจะไม่มีใครอยากเข้าใกล้ท่าน <laughs> อเป็นนักพูดจริงๆ จ, จากนั้นคุณตาอายุได้70ปีดวงตา ก, ก็เริ่มพร่ามัว uh. มองก็จะเห็นว่าเป็นต้อกระจก ต่อมากตาบอดกระตาบอดก็งดหยิดง่ายแต่ก็ยังดื่มเหล้ามากเหมือนเดิมชอบฆ่าสัตว์เข้าป่าล่าสัตว์กระต่ายหมูป่ามินฆ่าสัตว์เลี้ยงเช่นไก่หมูวัวมรทำอาหารอะไรอย่างนี้เป็นต้นตาบอดอยู่ได้สองสามปีก็เริ่มมีแผลในปากทําให้รับประทานอาหารเผ็ดไม่ได้เลยปกติท่านจะชอบรสเผ็ดจัดมากแผลในปากไม่หายเป็นเนื้อ ง, งอกเป็นมะเร็งในปาก ทนทุกข์ทรมานนอนอยู่กับที่อยู่ในโลกมืดประมาณสิบสองปีจนถึงสองหกท่านก็เสียชีวิตเดายุแปดสิปีก่อนเสียชีวิตหยุดดื่มเหล้าแค่หนึ่งสัปดาห์าหมดลมหายใจอย่า ง, งเงียบๆช่วงเจ็ดวันหลังท่านเสียชีวิตคุณยายล่าว่าได้ยินเสียงตําห ม, มากบริเวณที่คุณตานอนอยู่ประจําปกติคุณตาจะเคี้ยวหมากทุกวันเป็นเวลาหลาย10ปีช่วงกลางคืนคุณยาก็รู้สึกว่าคุณตามานอนข้างๆ ตอนลูกพูยายท่านเป็นคนใจดีไม่โกรธอารมณ์ดีและหลานชอบเป็นคนตรหนีถ้าลูกหลานซื้อของไว้เช่นซื้อเสื้อผ้าใหม่มาให้ท่านจะไม่ใส่จะเก็บเอาไว้<อ>จะเอาตัวเก่เาๆมาใส่นอกจากจะไปวัดท่านนั้นจึงจะหยิบเสื้อผ้าใหม่มาใส่สักครั้งจะประหยัดมาฝากเงินในแบงค์แรกจะไม่ยอมถอนออกมาเลย เมื่อกายวันที่จะได้ดอกเบี้ยท่านจะให้หลานที่ท่านรักและไว้ใจช่วยไปดูสมุดบันทึของท่านเดียกันสองคนไม่ให้ใครเห็นโกรธคนก็จะรู้วัามีเงินอยู่เท่าไหร่อจะมีแถวบ้านไปยืมเงินท่านทันให้กูแล้วก็คิดดอกเบี้ยเมื่อเขาไม่ให้ดอกเบี้ยท่านก็จะใช้หลานๆไปตะโกนทวงที่ใกล้ๆกันท่านก็จะสอนว่าให้ตะโกนยังไงเขาถึงจะมีอารมณ์โมกคืนปกติใจบุญไปวัดทุกวันพระตักบาทพระทุกเช้า บนที่ท่านนึกได้ทานกับพิติตราสร้างธรรมะมบาปที่ท่านทําก็มีคาปลามาทำอาหารแต่ไม่ได้บ่อยนักอายุแปดสปีลูกก็ได้กลับไปบ้านแนะนำให้ท่านนั่งสมาธิแต่ให้องค์พระแก้สายสามนิ้วให้ท่านนึกเอาไว้เป็นนิมิตท่านนั่งสมาธิก่อนนอนทุกวันอย่างน้อยก็หนึ่งเมื่อยบนเตียงท่านคือเมื่อยก็เลิกกันเลยวันหนึ่งท่านเผลอเอามือปัดไปถูกองค์พระตกจนเสียนองค์พระหัก ท่านก็นำองค์พระไปวัติสารพระภูมิหน้าบ้านอบอกว่าพระหักแล้วไว้ในบ้านไม่ได้หลังจากนั้นเมื่อไม่มีองค์พระท่านก็เลยหยุดนั่งไปสองสามวัน<อ>แล้วท่านก็นคิดได้เองว่าไม่มีองค์พระแต่ท่านก็ น, นึกได้เองและทา่านก็นกลับมานั่งสมาธิต่อท่านเสียชีวิตเมื่ออายุ92ปีปารโ ล, โลกคุณตาคุณยายอยู่ที่ไหนมีความสุขหรือไม่คะหลังตายไปแล้วคุณตาได้มาตำห ม, มากและนอนข้างคุณยายเหมือนที่คุณยายเล่าหรือเปล่าคะ ทำไมคุณตาุยายจึงไม่มีลูกตัวเองทําไมต้องเป็นคุณแม่ที่ได้มาอยู่กับท่านทั้งสองคุณตามีบุพกรรมอะไรครับท่านจึงทุกทรมารจากตาบอดและปลเป็นโรคมะเร็งในปากเป็นเวลานานกว่า10ปีทําไมคุณยายจึงประหยัดชอบใช้แต่ของเก่ามีบุพกรรมอะไรทําให้ยายชอบอย่างนั้นทําไมลูกจึงผูกพันคุณตาคุณยายมากกว่าพี่น้องคนอื่นอ่ะฟังเคสสต๊าดีโดยเยอะวันนี้เรารัดลัดหน่อยคืออยากจะสงวนเวลาไว้นั่งธรรมะเยอะ คนตาตายแล้ววนเวียนนฝันนี่ฝันนะครับฝันฝันเป็นตุเป็นตะไปแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังตายแล้ววนเวียนอยู่ในบ้านเจ็ดวันแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกหลังจากนั้นก็ถูกพิพากษาจากบุญบาปที่ท่านทําไว้ในมนุษย์ให้ไปเป็นกุมพันโอทําหน้าที่อยู่ในยมโลกหนึ่งปีสวรรค์ต้องทํางานสิบเดือน ได้พักแค่สองเดือนสวนรรค์โดยทำหน้าที่กรอกน้ำทองแดงให้สัตว์นรกนี่เขพิจาณาบุญบาปนะแล้วบวกลบคูณหาแล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี้สามภาพที่ปรากฏอยู่ภายในเจ็ดวันคุณตาก็วนเวียนอยู่ใกล้ยายและญาตจริงๆนี่แหละกับคุณยายท่านคุ้นเคยกับคุณตาเลยมีความรู้สึกอย่างนั้นไปเองอว่าท่านมานอนข้างๆจริงคุณตาไม่ได้นอนข้าง แต่ว่าวนเวียนไปหาคนนู้นคนนี้อะไรต่างและเมื่อคนตาตายแล้วท่านน่ะดีใจว่าท่านน่ะตาหายบอดอท่านก่อนตายตาบอด12บสองปีจำได้ไหมครับได้พอตายแล้วก็เห็นหนูน่นเห็นนี่ท่านก็ดีใจนะ<อ>ก่อนไปยมโลกอะภายในเจ็ดวันนั้นนะแต่ตอนไปยมโลกไม่ได้ดีใจ แต่พอตัดสินใหไปเป็นกุมภันธ์เออสบายใจคุณยายตายแล้วก็ไปเป็นภุมิมะเทวาวนเวียนอยู่ในบ้านเพราะใจยังห่วงแล้วหวงสมบัติต่างๆอยู่ตอนตายใจจริงยังไม่ผ่องใสทําให้บุญไม่ได้ช่องที่จะช่วยได้เต็มที่ได้ใช้ชีวิตประจำวันคล้ายๆกับตอนที่ตัวยังมีชีวิตอยู่วนเวียนไปโน่นไปนี่แะไต่างแต่ยังอยู่ในบ้านอยู่ตอนนี้ ยังหวงห่วงเพราะนั้นเนี่ยตอนใกล้จะล่โลกไอ้หวงก็ห่วงนี่ต้องไอ้ดีนะนี่ดีนะไม่ไปเป็นจริงจบทุกแก่ ย, ยังวนเวียนอยู่ <Okay. S 1> ที่คุณตาและคุณยาไม่มีลูกของตนเองกับเลาะกรรมในอดีตเป็นกรรมของคุณตาเน่ยเป็นหลักคือท่านจะมีนิสัยคล้ายๆปัจจุบันนี้ชอบกินยาดองเหล้าเ oh. จ้าในอดีตนียโดยใช้สูตรพิเศษ เอาลูกนกเป็นๆที่ยังไม่มีขนหรือออกขนอ่อนๆ oh. มาใส่ในยาดองเล่า oh. เกิเตรียมปรุงยาแล้วก็ไปจับเอาลูกนก oh. ที่ขนยังไม่ทันออกเลยตัวอ่อนใสไปเลยเป็นๆ เ, เลย oh. <Okay. S 1> ทําอย่างนี้เป็นประจํากรรมเลยส่งผลไม่ให้มีลูกประกอบกับกรรมปณนฏิบาติในปัจจุบันเสริมไปด้วย oh. ไปพลาดลูกสัตว์แรงตายแต่ยังไม่บุญอื่นประคับประคองเอาไว้ท่านจริงยังไม่ไอายุสั้นในชาตินี้นะ เหตุที่คุณแม่มาอยู่กับท่านนังสองกับคุณตาอัญญาเพราะเคยเป็นลูกของท่านมาก่อนในอนดีตเวลาทาบุญร่วมกันก็อธิษฐานให้มาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันกรรมที่ทําให้ท่านตาบอดคือกรรมในอนดีตที่ชอบดักสัตว์ได้แล้วก็จับสัตว์นั้นมามาขังแต่สัตว์มักจะกระโดดหนีต่อมาก็เลยเกิดไอเดียให้ทาให้สัตว์นั้นตาบอดอจะได้มองไม่เห็นแล้วกระโดดหนีไปไหนไม่ได้ กับอีกกรรมหนึ่งคือท่านเวลาจับปลามาได้ก็จะนํามาเก็บกักขังไว้ในตุ่มในโอง่งในที่มืดมืด oh. อันนี้ก็เป็นกรรมที่ทําให้ตาท่านมองไม่เห็น oh. ส่วนบริเในป่าเกิดจากวฤติกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ชอบด่าว่าพูดคําหยาครับ oh. ที่คุณยายชอบใช้แต่ของเก่าแทนที่จะใช้ของใหม่เพราะเวลาทําบุญแล้วเนี่ยชอบเสียดาย oh. ทั้งในอดีตและปัจจุบันนะครับ oh. คือตอนก่อนทํากับปลืม้มแต่พอทําไปแล้วแหมลูกนี้ไม่ทำเท่าก็ดีอหรือทำทำนั้นเท่านี้และเวลาให้ของใครมักจะให้ของเก่าที่ใช้แล้ว<อ>เพราะนั้นทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นของเก่าๆที่ใช้แล้วก็ไปให้เหตุที่เจ้าของเคสซาดีเนี่ยผูกพันกับท่านมากเพราะเคยเป็นลูกเป็นหลานท่านมาหลายชาติก่อนกว่าท่านทั้งสองได้เลี้ยงดูมาตลอดในปัจจุบันท่านยังเอ็ดูมากก็เลยรักท่านมากแกนี้เองล่ะจ้ะ นี่ก็เป็นเคสตดี้โดยย่อ